บทภาชนีมาติกาหญิงสิบจำพวก3รอยสามหญิงสิบจำพวกคือ 1. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดา 2. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดา 3. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดา 4. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชาย 5. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาว 6. หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติเดหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูล 8. หญิงที่มีธรรมคุ้มครอง 9. หญิงที่มีคู่มั่น10หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครอง